ธรรมะอย่างหนึ่งเป็นไนะัดูการพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งคือโทสะได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีนะครับโทสะก็ในฐานะฝักฝ่ายแห่งสมุทัยสัตว์ละก็เป็นชื่อของมกษัติเพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็ประกาศอริยสัต์เรียบร้อยแล้วนะครับและพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งโทสะ อันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ประทุสร้ายไปสู่ทุกคติผู้ใดที่ถูกโทสะประทุสร้ายหรือประทุสร้ายด้วยโทสะก็โทสะตัวนี้แหละไปนําไปสู่อบายทุคติวินิบาตในรกนั่นแหละครับนะก็ถ้าเห็นแจ้งอย่างนี้ก็ละโทสะได้แล้วนะครับแล้วก็ละโทสะครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนๆ น, นะครับอันอัตถกถาก็จะขยายเฉพาะส่วนที่ไม่เคยขยายตรงไหนที่เคยขยายแล้วก็ กลับไปดูสูตรก่อนเอานะครับที่เคยกล่าวไปแล้วนั่นเอ ง, ง, เงนะครับพวกอะไรนะวุตวตังเหตตังพระขวตาเป็นต้นเนี่ยนะครับอรหตตาพระขวตาวุตาวตาสองครั้งเป็นต้นก็ย้อนกลับไปดูที่เดิมนะครับแล้วพระธรรมปาละบอกว่าเราจะพรนณ า, าบทไปตามลําดับในสูตรทั้งปวงแม้อื่นจากสูตรนี้อย่างเดียวกับสูตรนี้นะครับ เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูอัธยาศัยของบุคคลผู้มากด้วยโทสะจึงทรงแสดงพระสูตรนี้เพื่อระ ง, งับโทสะนี่คื อ, อนิเคปบทนะครับหรือว่าสุตันตบทบทตั้งขึ้นที่พระองค์ตรัสสูตรนี้ก็พอองตรัสกับคนที่มากไปด้วยโทสะถ้าสูตรก่อนก็มากไปด้วยโลภะนะครับ พาาเพราะฉะนั้นพง์จึงตรัสว่าโทรสังพิคเวเอกธรรมมังประชหะทะดูก่อนพิสูุทั้งหลายพวกเธอละธรรมะอย่างหนึ่งคือโทรสะได้อย่างนี้นะพง์ก็รับรองเพื่อความเป็นพระอนาคามีใช่ไหมครับในบทเหล่านั้นบทว่าโทรสังนะครับขยายเฉพาะสัพที่ไม่เคยขยายนะว่าโทรสังได้แก่ความอาฆาตอันเกิดจากความอาฆาตวัตถุ18อย่างนะครับ ดีกับเรื่องโทสะ18ประการใช่ั้ยครับคือท่านอย่างที่ท่านกล่าวไว้ในพระ ส, สูตรโดยนายเป็นต้นว่าอนัทถังเมอาจารีติอาคาโตชายติความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นว่าเขาได้ประพฤติความพินาศให้แก่เรานะครับนี่ก็ยกตัวอย่างมาหนึ่งข้อเท่านั้นเองนะครับที่เหลือก็ไปดูเอาเองส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวกับเรื่องโทสะนี่นะฮะอาคาตวัตถุทั้งหลายอยู่ในอังคุตรนิกายนวะกานิบาศนะครับ ถ้าฉบับนี้ก็อยู่ในเล่มที่สาิดนะครับนวักกาณิบาลและก็โทสะก้าวอย่างอันตรงกันข้ามกับข้างต้นเป็นต้นว่าอทังเมนาจริเขาไม่ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เราหมายค ว, าว่าเห็นเห็นคนอื่นเขาแจกของให้คนอื่นเขาไม่มาแจกให้เราบัางก็โกรธเหมือนกันลักษณะนี้นะครับเห็นแต่ช่วยคนอื่นเม่นไม่ช่วยเราบ้างเลยก็โกรธอันนี้ก็เป็นอาคาแต่ว่าถุเหมือนกันนะครับ วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธนะนะเห็นเขาทักทายคนอื่นไม่เห็นทักทายเราเลยนะก็บอกว่าพระรูปหนึ่งนะครับที่โกรธภาษาลิบุตรเนื่องจากภาษาลิบุตรไม่ทักทยายท่านมังเลยนะครับโกรธภาษาริบุตรพยาบาทเลยก็มีนะครับอันนั้นนั่นเองนะก็ไปค้นคว้าเอาบักพิสิานเอาก็แล้วกันนะครับแล้วก็กลับสิ่งนะความโกรธที่ไม่ใช่ฐานะนะ คือฐานะมีต่อและหนามเป็นต้นรวมเป็นสิบเก้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ ย, ยคือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธนะครับก็ อ, อาศัยได้ปัจจัยเหล่านี้ก็โกรธขึ้นทันทีแต่สังเกตก็คือปฏิฆานิมิตทั้งหลายนั่นเองนะครับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาสิ่งนั้นเรียกว่าปฏิฆานิมิตนะครับนิมิตเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธพอได้นิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมากก็จะโกรธทันทีเลยนะครับขอโอกาสครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่า เ อ, อความโกรธที่ว่าใครโกรธพระพร ะ, ะไหลภาษาดิบุตรนะครับรโกรธภาษาดิบุตรเพ ร, ะเพระารพระเหตุแห่หงความไม่ทักทายนั้นด้วยอำนาจของมรณนะหรือว่าก็นี่แหละเขาไม่ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เราไงครับคือหมายถาว่าถ้าใครที่ภาษาริบุตรทักทายเป็นต้นเนี่ยนะคนนั้นก็จะได้เหมือนว่าได้ความฟูใจอิ่มใจสบายใจเป็นต้นเนี่ยนะ หรือดีไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดโยมเข้ามารูปมาเห็นเข้าอ้าวคนนี้นี่ไม่ธรรมดานะภาษาริบุตรยังทักทายเป็นต้นเนี่ยนะอาจจะเป็นที่ตั้งแห่งลาบสาการะในส่วนอื่นๆดนอีกก็ได้นะครับมันก็เหมือนกับในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะครับิสูจบางรูปเนี่ยนั่งว่าเออพระพุทธเจ้าน่าจะเรียกชื่อเราแล้วแสดงธรรมนะนะที่คิดอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าหาว่าพระพุทธเจ้าเรียกทักชื่อของคนใดเนี่ยนะครับ อ่าพวกโยมทั้งหลายเป็นต้นพิสูพิ ษ, พษุนีทั้งหลายโอ่องนี้ไม่ธรรมดานะคิดดูพระภูมิพระภาคแสดงธรรมอย่างทักองค์นี้ก่อนเลยเนี่ยนะแสดงว่าก็คนก็จะเป็นที่มาแห่งราบสการะเป็นต้นเนี่ยนะถ้าพระองค์ไม่ทําอย่างนั้นไม่สบายใจเลยนะครับเครียดแล้วอันนั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดโทสะอย่างหนึ่งนะครับอิจฉ า, าวจัจนะครับใน อ, อนังคณะสูตรนะครับไปดูได้นะครับอันนันกิเลสทั้งหลายที่มันได้ช่องมันเกิดหมดนะครับ ก็ความอาฆาตนั้นท่านกล่าวว่าเป็นโทสะเพราะอถ า, าว่าเป็นเหตุประทุสรายนะมันเป็นตัวเป็นเหตุให้คนประทุสรายกันนะนะถ้าไม่มีโทสะสัตว์จะไม่ทะเลาะ ก, กันเด็ดขาดหรอกครับหรือลงมือประทุสร้ายเองหรือเพียงคิดประทุสรายเท่านั้นนะลักษณะของเขาอะนะโทสะนั้นพึงเห็นว่ามีลักษณะดุร้ายนะครับดุจอสอรพิษที่ถูกทุบ คเคยสังเกตนะถ้าใครโกรธนะแล้วก็สังเกตดูอัศรพิษที่มันถูกทุบเนี่ยนะครับมันดุร้ายยังไงเนี่ยนะถ้าโทสะเกิดขึ้นในจิตของผู้ใดมันก็ดุร้ายแบบนั้นนะครับเพิ่นเห็นว่ามีความซ่านไปดดถูกวางยาพิษนะนะครับมันซ่านไปหมดเลยนะ ม, นมันเลือดดามันฉีดเนะี่ยพอโทสะปุ๊บเนี่ยนะครับเลือดดามันฉีดขึ้นไปทั่วสารพางกายตัวสันค้างสันไม่หมดนะครับถ้าโกรธแรงๆอ่ะนะนะี่แหละมันซ่านไปแบบนั้นนะครับ ทำลายสัมปยุตธรรมหมดเผาไม่ภัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเจตสิกอื่นๆที่เกิดร่วมนี่มันเผาหมดนะครับมันเผาไม่กระทั่งหน้าเพราะฉะนั้นคนที่เกิดโทสะบ่อยๆนี่นะครับหน้ามันจะดำคล้ำก็เลยสำนวนว่าหมดสง่าราศีหมดเลยนะครับคนที่อกุศลละจิตเกิดมากๆนะพึ่งเห็นว่ามีลักษณะเผานิสัยของตนนิสัยแปลว่าที่อยู่อาศัยของตนดุดไฟไม่ป่า นะคือเผาที่อาศัยของตัวเองนะครับอย่างน้อยที่สุดก็เผาสัมปยุตรธรรมที่เป็นนามธรรมเหมือนกันเผาหัตยาวัตถุแล้วก็เผาร่างกายเลยนะครับเห็นดูที่ครับคนที่เสียใจเนี่ยข้าวจะกินไม่ค่อยได้นะครับมันเหือดแห้งใช่ไหมสังเกตดูคนที่ญาติเสียชีวิตนะครับโทสะมันเผาติดติดยาวๆเนี่ยนะครับข้าวก็ขึ้นไม่ค่อยได้นะครับแห้งริมฝีปากนี่แห้งไปหมดนะคนระับถ้าโทสะมันเกิดมันเผาก็เป็นลักษณะ น, นั้นเหมือนกับไฟไม่ป่านะครับมันเผาที่อยู่ของมันเองนะครับ นะครับไม่อยากกินอะไรซากอยากกินแล้วก็ไม่อร่อยเลยกลืนข้าวก็ไม่ค่อยลงน้ํำลายก็ไม่ค่อยออกระบบมันเสียหายหมดนะครับคือเนื่องจากร่างกายนี้มีสมุทฐานสี่นะครับจิตที่เป็นโทสะก็เป็นทำจิตตชรญโรบเหมือนกันว่าส่วนที่จิตตชิญโรบที่เกิดจากโทสะมันเป็นผลของบาปเนี่ยมันก็พาส่วนอื่นวิบัติไปหมดนะครับเพิ่งเห็นว่าเป็นการบํารุงความโหดเหี้ยมดุจศัตรูได้โอกาสแล้ว น, นะ โทสะเนี่ยมันได้ช่องปุ๊บเนี่ยมันเฮียมเกรียมทันทีเลยนะครับมันเฮียมขนาดไหนเฮียมขนาดที่ลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้อะนะหรือว่าคนฆ่าผ้ารหันก็ได้เฮียมเกรียมเหมือนนายช่างแก้วนะที่เอาเชือกเนี่ยนะครับมาขันชนะศีรษะพระเถระรูปหนึ่งอะนะที่เป็นผ้ารหันเนี่ยมันเฮียมเกรียมขนาดนั้นนะครับถ้าโทสะมันเกิดเนี่ยนะมันมันโหดเฮียมอมหิทจริงๆนะจากโทสะนั่นเองเพิ่งเห็นว่าเป็นเหตุใกล้นะคือเหตุใกล้แห่งโทสะก็คือ อาคาตวัตถุที่กล่าวแล้วนั่นเองนะครับเป็นเหตุใกล้ใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับเขาเนี่ยนะทำความเสียหายให้แก่เราเขากำลังทำความเสียหายให้แก่เราเขาจะทำความเสียหายให้แก่เราเนี่ยนะเขาทำความเสียหายให้แก่คนที่เรารักเขากำลังทำความเสียหายให้แก่ผู้ที่เรารักเขาจะทำความเสียหายให้แก่ผู้ที่เรารักนะครับอันนี้ก็ หรือว่าเขาเนี่ยส่งเสริมศัตรูของเราเนี่ยนะครับเขากําลังส่งเสริมศัตรูของเราเข้าจักส่งเสริมศัตรูของเราเนี่ยนะมันคิดแล้วมันช้าใจไปหมดนะครับมันอยู่ในฝ่ายปฏิปักษ์นั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเรื่องราวเหตุการณ์เหล่านั้นๆนเนี่ยนะครับเป็นเหตุใกล้แห่งโทระหรือเสียงด่าเสียงตําหนิเสียงนินทาเสียงว่าร้ายเนี่ยนะผู้ที่เสื่อมลาบ น, นนะได้รับความทุกข์พวกนั้นก็ปฏิฆานิมิตนะครับเสื่อมราบได้รับความทุกข์ได้รับการนินทานะครับถูกโลกกระทำไยชั่วเล่นงานเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นเหตุแห่งโทสะถ้าโลกกระท่ายดีเล่นงานเป็นไงครับโลภ ะ, ลพะเพราะฉะนั้นสัตว์โลกหมุนไปตามโลกกระทำโลกธระทก็หมุนไปตามสัตว์โล ก, น, น, น, กาานี่นะครับนี่เขบอกว่าไออาคาตวัตถุเนี่ยนะครับเป็นเหตุใกล้ดุดของบุตรและน้ำมูที่เขาทิ้งไว้นะครับ ทำให้ไปเปื้อนอะไรก็เสียหายไปหมดอีกนะครับบทว่าประชาหะระได้แก่พวกเธอจงตัดขาดคำว่าละนะนะครับนั้นก็ศึกษาวิธีละนี้ในคำพีท่านก็ยกตัวอย่างวิธีละโทสะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอาคาตะปฏิวินัยการปลดเปลื้องความอาฆาตเอาไว้5อย่างที่บอกว่าดูความพิสษุทั้งหลายความอาฆาตเกิดขึ้นแก่ภิกษุ ควรปลดเปลื้องในอาคาตปฏิวินห้าเหล่านี้นะครับอาคาตปฏิวินยัยาเป็นชไนดูความพิสูจทั้งหลายความอาฆาตเกิดขึ้นในบุคคลใดพึงเจริญเมตตาในบุคคล น, นั้นนะครับให้เจริญเมตตาเจริญกรุณาเจริญมุทิตาหรือเจริญอุเบกขาในบุคคล น, นั้นใช่ัหมครับให้เจริญพรหมวิหารในคนที่เรากโกรธนะ แต่ว่าในชั้นต้นเนี่ยนะครับจะบอกเอ๊ะโกรธใครแล้วเจริญเมตตาให้คนนั้นมันเจริญได้เลยทันทีเลยเขามีวิธีเขามีขั้นตอนมีลําดับนะครับชั้นต้นก็เจริญเมตตาให้ตัวเองก่อนแล้วไปเจริญให้เมตตาให้แก่ผู้ที่เรารักเราเคารพนะเอาผู้ที่เราเคารพเสร็จแล้วก็เจริญเมตตาให้แก่คนรู้จักกันเสร็จแล้วก็ จเจริญไปหาคนกลางๆแล้วค่อยเจริญไปหาศัตรูนะครับเขามีลำดับแต่นี้แสดงแบบรวบยอดให้จเจริญเมตตากับเขานะหรือจเจริญกรุณากับเขาจเจริญมุทิตาจเจริญอุเบกขาแต่วิธีลำดับแห่งการปฏิบัติก็ไปเรียนจากวิสุทธิมรรคนะครับสมาธินิเทศพรหมวิหานิเทศนนนะครับเนี่ยนะ ห, หรือพึงเปลื้องความอาฆาตในบุคคล น, นั้นอย่างนี้ว่าความเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเนี่ยนะ เราเองนี่มาด้วยกรรมของเราใช่ไหมเราไปโกรธเขาอจะทําอะไรเขาได้เขาก็มาด้วยกรรมของเขาอ่ะถ้าเขาโกรธเราเขาจะทําอะไรเราได้เขาก็มาด้วยกรรมของเขาต่างฝ่ายต่างมาด้วยกรรมของตนนะก็เอาหลักกรรมสิบสองมาวินิจฉัยมาวิจัยให้หมดเลยเนี่ยถ้าเราโกรธเราตกนรกใช่ไหมถ้าเขาโกรธใครตกนรกอับเขาก็ตกไปเพราะฉะนั้นบุญบาปมันก็เป็นของเฉพาะตัวอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าเราไปโกรธเราไปหงุดหงิดกับเขาเราก็ขอแบ่งบาปอันนั้นมาอีกนะถ้าเจริญแบบนี้มากๆก็ ดีขึ้นนี่ถ้าหากว่าเราโกรธเนี่ยสมถเะเราเจริญขึ้นไหมวิปัสสนาจเจริญขึ้นไหมงอกงามในคําสอนไหมปฏิบัติในคําสอนไหมเขาถ้าโกรธละ่ะเขามีสมถะมีวิปัสสนาเจริญงอกงามในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่นั่งตรึกแบบนี้พักเดียวมันก็จะละความโกรธได้นะครับนี่เรียกว่าอาคาตะปฏิวินัยในบุคคล น, นั้นผู้นี้นะครับอย่างที่กล่าวไปนี่นะครับหรือว่าอาจจะละความโกรธ ที่ท่านกล่าวอาคาตะปฏิวินายห้าอย่างอย่างนี้ว่านะครับที่ภาษาริบุตรแสดงไว้นะดูก่อนอาวุโสความอาคาตเกิดแก่ภิกษุควรปลดเปลื้องให้หมดไปในอาคาตะปฏิวินายห้าเหล่านี้อาคาตะปฏิวินายห้าเป็นชนะัยดูก่อนอาวุโสบุคคลบางคนในโลกนี้มีกายะสมาจารไม่บริสุทธิ์มีวจีสมอาจารไม่บริสุทธิ์ดูก่อนอาวุโสพึงปลดเปลื้องความอาคาตในบุคคลเห็นปานั้น คือตรงนี้อธิบายว่าถ้าหากว่าใครมีความไม่บริสุทธิ์ส่วนไหนนะอย่าไปคิดถึงส่วนนั้นคิดถึงส่วนที่เขาบริสุทธิ์อย่างเช่นคนบางคนเนี่ยนะกายก็ชั่วมากวาจีก็ชั่วมากแต่มีนะเขากราบพระรัตนตรัยเป็นต้นนี่ยนะก็นึกถึงแต่ตอนนั้นก็พอแล้วส่วนอื่นๆของเขาไปเรียกว่าเลือกส่วนดีเอามาตรึกเอามาคิดนะนะเอาเฉพาะในส่วนดีถ้าเขามีดีส่วนไหนก็คิดเอาแต่ส่วนนั้นไปถ้าชั่วหมดเลยก็สงสารเขาไปเลยนะครับคนนี้ก็ มันเหมือนกับว่าชีวิตเขาจะมีความสุกก็จริงนี่นะถ้าเขาตายไปแล้วเนี่ยไปสู่อาบายทุคติวินิบาตนารกเนี่ยเพราะกรรมที่เขาทําก็ควรเจริญกรุณาให้เข้าไปนะครับไม่ต้องไปรีบแช่งให้เขาตายเร็วหรอกครับพอตายยังไงเขาก็ไปสู่อาบายให้เขาอยู่ความสวยความสุขอีกหน่อยไปเถอะแล้วเราจะไปโกรธเขาทําไมนี่ยเราแบ่งก็เกิดไปอยู่ด้วยกันอีกจะว่าไงนะครับนะไปขอส่วนแบ่งเขาไมา่อีกนะครั บ, ไ ป, รบไปอยู่ที่นั่นก็นเหมือนก็ไปถูกขังในสุมเดียวกันในแย่เลยนะครับ มันให้เขาไปตามกรรมของเขาเถอะเลือกหาแต่ความดีของเขาที่มีอยู่เอามาคิดเอากันแล้วกันเออขอาก่านะถ้าหากว่าพูดถึงว่าถ้าเราไปเจริญเมตตาให้กับเขานี่เราก็แสดงว่าเราก็ต้องคิดว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้ยังไงใช่ไหมเธอที่จะเจริญเมตตาให้เขาเนี่ยนะครับขอแพ้กรุณาอ๋อเกรงกรุณาก็คือเออชีวิตของเขานี่น่าเห็นใจจริงๆเลยนะสมมุติถ้าเขาเหล่านี้เนี่ยนะเป็นญาติเราเนี่ยนะครับ เขาเข้าเป็นญาติเรานี่ถ้าญาติเราตกนรกเป็นต้นเนี่ยถามว่าเราพอใจไหมเขาน่าเห็นใจไหมอย่างเงี้ยนะแล้วก็คิดดูเนี่ยนะแล้วก็ที่ ด, ดูเออเนี่ถ้าเขาเนี่ยนะไปสู่อบายทุกติวินิบาตนรกเนี่ยหรือไปเกิดเป็นกำรรเนิดสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะครับที่ใช้หยาดเงือแรงกายเนี่ยนะ หรือไปเกิดเป็นหมูเป็นสุกรเป็นอย่างอื่นนี่นะจะทุกข์ยากขนาดไหนนะถ้าไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวหวยเขาจะทุกข์จะยากจะลำบากขนาดไหนแนละชีวิตของสัตว์ในอาบายเหล่านั้นก็ไม่ได้สองวัน3าวันที่ไหนมันเป็นหมื่นหมื่นปีเป็นแสนแส น, แสนปีเป็นพุทธันดรพุทธันดรเ น, นี่ยนะครับไม่รู้กี่พันล้านปีเนี่ยที่จะต้องเสเวยทุกทรมานเพราะบากปรกรรมที่เขาทานี่แหละ เพราะฉะนั้นเนี ne, ่ยเขาก็น le ่าเห็นใจอยู <med> ่แ <Lane>. ล้วถ้าเราเข้าทุกข์ขณะนั้นเนี่ยก็น่าเพียงพออยู่แล้วเราไปแช่งชักไปซ้ําเติมเข้าไปทําอะไรเนี่ยนะครับนี่ถ้าเราไปเป็นสภาพนั้นบ้างจะเป็นยังไงล่ะมันก็ไม่ต่างอะไรจากเขามันก็น่าเห็นใจพอๆกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาก็มาด้วยกรรมของเขาเราก็มาด้วยกรรมของเรานะเราก็ปัจจัยที่ที่ให้มีกิเลสแบบเขามีไหมล่ะเนี่ยนะถ้าเราไปอยู่ในสภาพแบบเขาเราจะไม่เป็นแบบเขาเลยเชียวหรือมันก็อาจจะเป็นเหมือนกัน หรือบางแห่งที่เราเคยศึกษาพระธรรมคำสอนมาไปเห็นยาจกเป็นต้นที่ไหนก็ทำทำไวในใจไว้เถอะว่าแม้ในอดีตเราก็เคยเป็นเช่นนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเห็นใครที่ไม่ดีนี่นะครับเราก็นึกในใจได้ว่าแม้เราเองก็มีสภาพเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับเคยเป็นแบบนั้นอยู่แล้วที่ยังไม่เป็นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะยังไม่ได้ปัจจัยถ้าได้เหตุปัจจัยพร้อม เนี่ยนะครับเราก็จะเป็นแบบนี้นะถ้าเราไม่ภาคเพียรเจริญอริยมรรคให้เกิดขึ้นก่อนเนี่ยนะครับเพราะว่าอาริยมรรคไม่เกิดเป็นต้นนั่นแหละเขาจึงเป็นอย่างนี้เนื่องจากเขาไม่มีสาระไม่มีที่พึ่งนั่นแหละเขาไม่ได้มีโอวาสไม่ได้มีพระธรรมคําคสอนเนะ่ยเขาจึงได้ทุกข์ได้ยากขนาดนี้เราก็เจริญกรุณาให้แก่เขาแต่จะช่วยเขาได้หรือไม่นะครับถ้าหากว่าคิดแค่อยากช่วยแล้วช่วยได้เลยทันทีนะบารมีไม่ต้องบําเพงง็ญกันหรอกครับ ถ้าใครอยากคิดจะช่วยอะไรก็ช่วยได้สําเร็จทันทีเป๊ะๆๆหมดนะโอ้เสียสงไข่แสนกลับไม่ต้องพูดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราหวังอยากจะช่วยคนเหล่านี้ให้พ้นทุกข์ได้จริงๆช่วยได้ท้าวรจริงๆนะเราต้องตั้งความปรารถนาะเพื่อเป็นพระตถาคตรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบำเพ็ญบารมีแบบนั้นเราจรึงจะช่วยเขาได้จริงๆแต่นี้นะเราไม่ช่วยไปขอแบ่งบาปเข้ามานี่เราก็ฉลาดแล้วละเพราะฉะนั้นนี่เรามีกรรมเป็นของของตนนะจําสูตรอะไรนะ อกรรมการให้ผลของกรรมใช่ไหมบางอย่างให้ผลชาตินี้นะนี่อกุศลหรือกุศลอันนี้เนี่ยชวนะดวงที่1ผลชาตินี้แน่นอนนี่นะครับวันข้างหน้าไอ้ความคิดทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้รับเองนะคําพูดแต่ละคําที่เราพูดเนี่ยวันข้างหน้าเราต้องรับเองทั้งหมดน ะ, ะนะบางอย่างดวงที่7ให้ผลชาติหน้า 2-6 ให้ผลในชาติที่3าเป็นต้นไปเราสะสมอะไรชีวิตแต่ละวันล่ะเนี่ยนะครับ ชีวิตของเราแต่ละวันที่เรามาพบเจอเจอหรืออาจจะเจอคนไม่ดีเป็นต้นเนี่ยเขาไม่รู้เท่ว่านี่คือส่วนแห่งตราบาปที่ทำไว้ในอดีตนั่นเองนะคะเราทำไว้แล้วละ่ะเราจึงได้มาประสบพบเจอเจอแบบนี้ถ้าเราไม่ได้ทำไว้แล้วเนี่ยเราไม่ได้เจอแบบนี้หรอกครับ เพราะจักขูวิญญาณเป็นต้นเนี่ยนะที่ทำให้เห็นคนไม่ดีโซตะวิญญาณทำให้ได้ฟังเสียงไม่ดีคานะวิญญาณได้รับกลิ่นที่ไม่ดีเป็นต้นนี่ให้รู้ว่านี่เป็นเศษแห่งตาบาปมานิดๆหน่อยๆที่เป็นผลพวงที่เราทำห้เองนี่เศษกรรมเท่านั้นนะนี่ถ้าหาวกรรมตรงๆมันให้ผลเนี่ยมันจะเผ็ดร้อนขนาดไหนแล้วก็สลดใจสังเวชใจอย่างนั้นนะครับหรือไม่ก็ พิจารณาถึงพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้ในกะก ะ, กะจูปมสูตรนะครับกะกะจูปมาสูตรหรือกะกะจูปมสูตรในมันชชิมานิการโอปัมมะวักนะครับที่บอกว่าดูความพิสูจ์ทั้งหลายหากว่าผู้ที่พิจารณาโดยกฎแห่งอาคาตะปฏิวินัยห้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นห้าอย่างคือในพิจารณาถึงแผ่นดินใช่ไหมครับพิจารณาถึงแผ่นดินพิจารณาถึงน้ําพิจารณาเหมือนอากาศพิจารณาเหมือนกระสอบหนังแมวเป็นต้นเนี่ยนะจนถึง พิจารณาตามนั้นแล้วเนี่ยนะถ้าหาว่าพิจารณาแล้วยังมีใจปัทุสายแม้ในโจรผู้ต่ําช้าที่เอาเลื่อยเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่จนขาดเป็นสองท่อนก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ทําตามคําสอนของเรานะครับก็ถ้าโจรเนี่ยนะมาเลื่อยภิกษุเรื่อยๆภิกษุณีตรงกลางให้ขาดเป็นสองท่อนเนี่ยนะขณะที่โทสะคิดปัทุสไรเนี่ยนะครับขณะนั้นก็ไม่ชื่อว่าทําตามโอวาทของพระสัมมาสัสมพุทธเจ้า ถ้าเรานึเครียดนึกหงุดหงิดขณะนั้นนั้นเนี่ยใครเป็นคนทําลายคําสอนครับเพราะจิตเราเป็นใบกระโทสะมีไหมครับศีลสิกขาเนี่ยองคธรรมได้แก่โทสะจิตตสิกขาองคธรรมได้แก่โทสะปัญญาสิกขาได้แก่องคธรรมคือโทสะเราเองนั่นแหละครับาบาปใ น, นนี้เนี่ยเขาถามว่าขณะที่โทสะเกิดนี่ไกลพระพุทธเจ้าไหมครับไกลอยู่แล้วเพระองค์เป็นผู้ไกลาจากกิเลสถ้าเราโทสะเกิดเราก็ไกลาจากพระองค์อยู่แล้วนะครับ แล้วก็อาศัยนี้ก็พิจารณาตามธรรมคาสอนของภาษาสดา น, นะครับก็จะช่วยทําให้โทสะเป็นต้นสางซาลดลงได้นีแล้วอีกแห่งก็บอกว่าคนลามมกเท่านั้นโกรธตอบผู้ที่โกรธนะครามีใครมาโกรธนะคนลามกเท่านั้นแหะครับจึงจะโกรธตอบคนลามกก็คือคนบาปคนชั่วทั้งหลายเนี่ยนะจึงจะโกรธตอบนะผู้ไม่โกรธตอบผู้ที่โกรธย่อมชนะสงครามที่ชนะได้ยากเนี่ยครับนักรบที่แท้จริงเนี่ยนะ ผู้ที่รู้ผู้อื่นโกรธเป็นผู้มีสติสงบระ ง, งับได้เชื่อว่าประพฤติประโยชน์ตนนะประพฤติประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งของตนและของคนอื่นนะครับอย่างเช่นเขาโกรธเราเนี่ยนะครับถ้าเขาโกรธเนี่ยจิตเขาก็เป็นอกุศลอยู่แล้วถ้าเราไม่ประทุสร้ายตอบขาดนั้นเราก็เป็นกุศลรักษาตัวเองก่อนใช่ไหมครับ อันนะั้นเขาเนี่ยนะถ้าเขาโกรธต่อผู้ที่ไม่โกรธตอบเขาจะโกรธได้นานแค่ไหนเขาจะโกรธได้ไม่นานเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยช่วยว่าช่วยปกปักรักษาประโยชน์ของเขาไว้ด้วยนะครับอันถ้าหากว่าเรามีเมตตาต่อเขาจริงๆเราก็อย่าให้เขาโกรธได้ยาวเลยนะครับถ้าเราเกิดการโต้อตอบเมื่อไร่ปัญหามันก็จะลุกลามใหญ่โตไปเรื่อยๆนะครับแล้วประโยชน์เราก็เสียหายประโยชน์ของเขาก็ ถูกทำลายไปแล้วโดยเฉพาะเราทั้งหลายสมณะเพศด้วยนี่นะครับประโยชน์แห่งการบวชนี่แทบไม่ได้อะไรเลยนะครับเห็นเสียข้าวสุกยมไปอีกวันหนึ่งวากันดูความที่สู่ทั้งหลายธรรมะเจ็ดประการเหล่านี้ก่อศัตรูทำให้เกิดศัตรูย่อมมาสู่ทั้งสตรีหรือบุรุษ ผู้มักโกรธธรรมะเจ็ประการเป็นชนะดูกับพิสูจนทั้งหลายศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่าใครเนอผู้นี้พึงมีผิวพันซามข้อนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายศัตรูย่อมไม่พอใจเพราะเห็นศัตรูมีผิวพันงามโอ้ยดีเหลือเกินนะฉันอยากมีศัตรูคนที่งามเหมือนเทวดาเนี่ยนะมีไหมครับมีแต่อยากให้มันหน่าเกลียดให้มันเละเท่อยากให้หน้ามันเป็นเหมือนกับฝีเนี่ยผุดมาทั้งสิ สิบแห่งในหน้าที่เดียวเนี่ยนะไอ้มันเลือนน้ำร้องน้ำเหลืองไหลยเยิ้มเนี่ยแหละนะครับมัน ส, สะใจดีใช่ไหมครับก็มันสะใจแค่ไหนครับความโกรธมันเกิดขึ้นเคยเห็นเอเขาราดน้ำโกรดใส่หน้าไหมครับมันสะใจนะครับที่ได้เห็นหน้าคนเหมือนหน้าศพเป็นต้นเนี่ยมันสะใจเหลือเกินว่างนั้นเถอะ ดูความพิสูจทั้งหลายคนมักโกรธนี้ถูกความโกรธครอบงำถูกความโกรธชักนำไปแม้เขาอาบน้ำเป็นอย่างดีรูปไรเป็นอย่างดีโกนผมและหนวดนุ่งผ้าขาวก็ยังมีผิวผันเศร้ามองอยู่นั่นเองดูความพิสูจนทั้งหลายนี้เป็นธรรมะข้อที่หนึ่งที่ก่อศัตรูทำให้เกิดศัตรูย่อมมาสู่ทั้งสตรีหรือบุรุษผู้มัก กรเนี่ยนะครับคนโกรธก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอยากให้คนอื่นเขามีผิวพันณซามตัวเองเนี่ยคนโกรธเนี่ยซก่อนเพื่อนเลยใช่หหรือว่าศัตรูก็ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอยากให้เขาเป็นอยู่ลำบากคนที่โกรธนั่นแหละครับจะเป็นอยู่ลำบากก่อนเพื่อนนะครับหรือว่าคนที่โกรธเนี่ยหรือศัตรูจ ะ, ะอยากให้ศัตรูเนี่ยนะ ไม่พึงมีประโยชน์มากมายนะอยากให้เขามีประโยชน์น้อยๆเนี่ยนะถ้าทํางานก็อยากให้มันได้เงินเดือนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามัวแต่โกรธเนี่ยนะนายก็ไม่ค่อยชอบเราเงินเดือนเราเนี่ยจะลดก่อนเพื่อนเอาไว้กนเถอะเรียกว่ามุ่งสิ่งใดกับคนอื่นนะสิ่งนั้นก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวเองหมดเลยเนะเพราะฉะนั้นไม่พึงมีสมบัติเนี่ยนะบางทีโกรธแล้วก็ปรารถนาไม่อยากให้คนคนอื่นเขามีสมบัตินะแต่ตัวเองโกรธก่อนก็เสีย สมบัติก่อนหรือว่าปราถนาให้คนอื่นไม่พึงมียศนะครับมียศมีบริวารเนี่ยนะตัวเองก็เสื่อมยศก่อนหรือปราถนาให้เขาไม่มีมิตรไอ้ความที่ตัวเองโกรธเขาตัวเองก็เลยหมดมิตรหมดเพื่อนก่อน แล้วก็ปรารถนาให้เขาตายแล้วพึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนะรกดูกรพิสูจน์ทั้งหลายสตรูย่อมไม่พอใจในการที่สตรูไปสวรรค์ใช่ไหมครับเคยแช่งให้สตรูไปสวรรค์ไหมครับเจ้าประคุณทูนหัวเอ้ยขอให้สตรูของชั้นเนี่ยนะไปเกิดในสวรรค์บรรลุโสดาสกธาคานาคาไม่มี ม, ม, มีแต่แช่งชักหักกระโหกให้ไปเกิดเป็นสันนรกเปรลาสุรกายเป็นต้นนะแต่ว่าคนโกรธนั่นแหละครับ คนมักโกรธเนี่ยถูกความโกรธครอบงําถูกความโกรธนําไปย่อมประพฤติทุจริตทางกายประพฤติทุจริตทางวาจาและก็ทางใจเขาประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจเมื่อตายไปก็แล้วก็เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตและก็นรกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวเองปรารถนาให้แก่ศัตรู ม, มากขนาดไหนสิ่งนั้นๆก็ย้อนสอนกลับมาหาคนผู้มักโกรธทั้งหมดเลยนะครับ แราว่าคิดแช่งเขาก็ตกมาสู่ใจเราเ น, นี่ยนะครับแต่ยิ่งไปโกรธต่อผู้ที่ไม่โกรธก็เหมือนกับซัดทุรีทวนลมเหมือนกันะ น, น, นะสิ่งนั้นก็จะตกมาใส่ผู้ที่โกรธนั่นแหละหมดขอขอให้ขยายความตรงนี้นิดนึงนะเนี่ยตรงที่ว่าไปเมื่อกีอ้การซัดทุรีทวนลมไปไปสู่ผู้ที่ไม่โกรธอะไรตรงนี้ <Us. S 2> ก็เหมือนกับโกรธต่อผู้ที่ไม่โกรธนะครับยิ่งไปโกรธกับพระอรหันด้วยแล้วเนี่ยนะครับพระอรหันท่านไม่โกรธตอบเดี๋ยนะ ก็เมือนกับเราเนี่ยนะครับคิดทําลายดวงอาทิตย์ น, ยนะนะตามภาษาเนี่ยนะเอามือชี้ดวงอาทิตย์ใหญ่ไปยืนตากแดดเนี่ยนะจะทรมานดวงอาทิตย์ให้เข็ดให้หนักเลยเงนะี้ยถามว่านี่ตกถึงใครครับก็ตกถึงคนนั้นแหละ น, น, นะนะหรือธุลีส่วน ล, ลมมันพัดมาหาเรานะครับเราก็หาผลของตำแหนหมามุ่ยเป็นต้นเนี่ยนะไปโยนสายลมที่พัดมานั่นแหละมาหาตัวไอ้ฝุ่นนั้นนั้นเป็นต้นก็ตกมาใส่ตัวเองนั่นแหละทั้งหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่รับนี่ เมื่อท่านไม่รับท่านก็ไม่ตกสู่ท่านผู้ที่ไม่ประทุสร้ายตอบท่านไม่รับไม่ได้แบ่งเอาอากุศลอนั้นนั้นมาเลยทีนี้เรายิ่งทําเท่าไหร่บาปก็เพิ่มโพลแก่ตัวมากขึ้นเท่านั้นสะสมโทสะมากเท่านั้นนะครับอุปนิสัยแห่งโทสะก็จะรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็อุปนิสัยอันนี้ก็เป็นปัจจัยให้อากุศลนะชื่อว่าเป็นประโยค้าวิบัติให้อากุศลในอดีตมาให้ผลแล้วก็ชื่อว่าทําบาปอันใหม่เพื่อทุกโทษใน ในสังสาวรวัฏต่อไปอีกนะครับนะนกทุกข์ก่อโทษกอภัยให้แก่ตัวเองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนกโกรธย่อมไม่รู้อัดคนโกรธย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อได้ถูกความโกรธครอบงาก็มีแต่ความมืดอย่างเดียวนะครับคนกโกรธเนี่ยเห็นอริยสัจนะครับไม่เห็นนะั่ในขณะที่โกรธเนี่ยนะครับประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์นชนทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่เห็นซากอย่างอัถฐโลกนี้อัถฐโลกหน้าอัถะอย่างยิ่งก็มองมองไม่เห็นซักอย่างนะครับ ประโยชน์ตนก็มองไม่เห็นประโยชน์ของผู้อื่นก็มองไม่เห็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายก็มองไม่เห็นไอความโกรธอันนี้มันเกิดขึ้นมันก็ทําปัญญาให้ดับทําให้เกิดความขับแค้นความโกรธเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อมักผลนี่ผ่านอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะแล้วบางแห่งพง์บอกว่ า, วาพึงละความโกรธพึงละมานะพึงก้าวล่วงสังโยชน์ทั้งปวงมีนะพระธรรมที่สอนให้ละความโกรธนี่มีเยอะแยะเลยความโกรธ ทำให้เกิดความพินาศ น, น, นะนะความโกรธทำจิตให้กำเริบว่างั้นเถอะภัยที่เกิดขึ้นในภายในคนโกรธย่อมไม่รู้สึกใช่หครับคนโกรธย่อมไม่รู้อาออไม่รู้จกักอาจคนโกรธย่อมไม่เห็นธรรมถ้าหากว่าค้อมโกรธครอบงำก็มื ด, ม, ดมิดเลยนะครับเหลือแต่ความมืดเป็นไปกับอวิชชาอานะันเราคิดดูนะว่าคนที่เครียดมากๆเนี่ยคิด แก้ปัญหาอะไรได้บ้างนะครับขณะที่กำลังกดดันกำลังโทสะหงุดหงิดเนี่ยนะปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขเพราะหงุดหงิดหรือเครียดเหล่านั้นนันเลยมีแต่พอกพูนบรรทมหมักหมมนะครับจิตใจเนี่ยนะครับแล้วก็ความโกรธที่เกิดขึ้นเป็นการมาฉันทานิวเนี่ยนะครับนิวเหล่านี้เป็นไปเพื่อ ดับปัญญาทําปัญญาให้ไม่เกิดนะครับคือปัญญาจะมองไม่เห็นอริยสัจมองไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้ามีคุณมหาศาลขณะที่เราโกรธนี่นะคุณเหล่านั้นนั้นมองไม่เห็นเลยนะครับ พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับมีคุณมากมายมหาศาลขณะที่เราโกรธเราจะนึกถึงคุณพระธรรมเหล่านั้นไม่ได้เลยพระสงฆ์ทั้งหลายมีภาษาลีบุตรพระโมกัลานาพระมหากัะสปะพระนุรุทธาพระมหากระเจยนาเนี่ยนะพาหันผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบบรลลุธรรมะตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราโกรธเราเรานึกถึงคุณของท่านไม่ได้สากอย่างเลยนะแม้กระทั่งเยาวะ พระรัตนตายเลยนะครับพ่อแม่ที่เลี้ยงดูฟูฟักเรามาแต่อ่อนแต่ออกเนี่นะครับเขาไม่ไปทําแท่งเราทิ้งเนี่ยนะครับไปยังทรงเสียให้เล่าเรียนเป็นต้นเนี่ยนะบุญคุณของท่านเหล่านะั้นเราก็นึกไม่ออกนะคนที่เลี้ยงดูปูเสือเราเนี่ยนะครับทําทุกอย่างเพื่อเราเราก็จะนึกถึงคุณเขาไม่ออกในขณะที่เราโกรธเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นนึกถึงแต่โทษโทษโทษเนี่ยนะครับทจริงไอ้โทษนั้นเั้เาก็ไม่ได้ทํากับเราหน่อยแต่เรานึกตำหนินึกดูหมินนึกเหกียดยยามเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นไอ้ความโกรธเรานี่ยเนี่ยเกิดขึ้นมืนมันทําลายคนนั้นจริงๆคนที่โกรธนะครับมันทําลายจนย่อยยับเนี่ยนะครับเหมือนกับที่พระโกกาลิกะเนี่ยนะครับโกรธพระสารีบุตรโกรธพระโมคคัลลานะนี่นะครับวิ่งไปฟ้องพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าช่วยอธิบายยังไงก็ไม่ฟังความเลยนะครับ ยังกโกรธยังพยาบาทภาษาดิบชนิดรุนแรงจนถึงขนาดที่ว่าบาปมันเริ่มให้ผลเนี่ยนะโดยเฉพาะพวกทิฏฐธรรมมันให้ผลนี่ก็ได้เกิดตุ่มขึ้นในร่างกายเล็กๆ ก, ก่อนแล้วค่อยๆโตขึ้นนะครับจนมันแตกเน่าเฟะไปทั้งตัวหมดพรมลงมาเตือนก็ยังตําหนิพรมเปอีกนะครับโทสะมันมีกําลังขนาดนั้นตายแล้วก็ต้องไปตกในปทุมนรกที่จริงก็เป็นปทุมนรกน่าจะดีนะปฐุมแปลว่าดอกบัวนะครับแต่บอกว่าส่วนหนึ่งของอเวจีนรกนั่นเองนะครับ นะเพราะฉะนั้นคนที่ไปกโกรธคนที่ที่ไม่ควรกโกรธเนี่ยโหมีโทษมหาศาลแต่ยิ่งฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันเนี่ยนะครับอนันตริยกรรมตกนรกแน่นอนโดยที่ไม่มีอะไรมาขั้นไว้เลยนะครับอนันตระนี่แปลว่าไม่มีระว่างนะครับเนี่ยนเนื่องจากโทสะาทาั้งนั้นนะครับ บุคคลฆ่าความโกรธเสียได้ย่อมอยู่เป็นสุขนะครับฐาร่อันนี้ได้ก็สุขแน่นอนนะครับบุคคลฆ่าความโกรธเสียได้ย่อมไม่เศร้าโศกดูก่อนพรามความโกรธเนี่ยมีรากเป็นพิษแต่มียอดหวานนะคือความโกรธนี่นะขณะที่โกรธมันมีฉันทาเกิดร่วมด้วยมันจะมีความรู้สึกว่าสะใจเหลือเกินนะครับในขณะที่มันโกรธนะมันยิ่งได้ทํารุนแรงขนาดไหนมันสะใจเท่านั้นนี่นะชันท่านี่ยนะเป็นฉันทาที่ประดีเนี่ยนะครับ ชั้นทาที่ปฏิที่เกิดร่วมกับโทสะเนี่ยนะครับมันมีกำลังมันสะใจมันเต็มที่เลยนะครับแต่พอทำเสร็จแล้วก็มาเดือดร้อนใจแล้วนะครับวิตตกกังวลเราร้อนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมีรากเป็นพิษแต่ยอดหวานในขณะที่มันโกรธมันหวานจริงๆแต่พิษติดตามเนี่ยนะครับมันก็เกิดมากขึ้นบางทีไอ้ความโกรธนี้ก็เหมือนกับลูกศรนนั่นเองท่านผู้มีปัญญาดุดแผ่นดินท่านจงงดโทษเสียเถิด บัณฑิต ท, ทั้งหลายย่อมไม่มีความโกรธเป็นกำลังนะครับเ น, นีถ้าผู้ที่มีปัญญาดุดแผ่นเดินก็จะไข่ควรวญใช่ไหมครับอะไรที่เป็นโทษควรอภัยให้ได้ก็อภัยซะแต่เนี่ยนะถ้าหากว่าไม่อภัยเนี่ยบาปมันก็สะสมพอกพูนมากขึ้นมากขึ้นนะครับการแนะนำพิสูจเหล่านั้นในข้อนั้นว่าเธอทั้งหลายจงพิจารณาถึงโทษในโทสะและอนิสงในการละโทสะโดยนยะตรงกันข้าม ดังกล่าวแล้วโดยในเป็นต้นอย่างนี้ด้วยประการชนนี้ถ้าจะนะคนที่จะละโทสะได้นี่เห็นโทษของโทสะอย่างจริงจังนะครับแล้วเห็นอา น, นิสงค์ของการละโทสะหรืออา น, นิสงค์แห่งเมตตาอย่างจริงๆนะครับเมื่อรู้โทษของโทสะเห็นอา น, นิสงค์ของเมตตาจริงๆเนี่ยนะครับก็เจริญเมตตาหรืออะโทสะในเบื้องต้นด้วยแต่ทางฆาปะหารหรือเวขมพนาปะหารด้วยสมถะวิปัสนา แล้วก็ขวนขวายวิปัสนาให้เกิดแล้วก็ตัดขาดละโทสะด้วยตติยมัจจนหมดสิ้นไปนะครับก็ละบาปละอกุศลธรรมเหล่านั้นได้เด็ดขาดด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าโทสังพิกเวเอกธรรมมังปชาทะาดูก่อนพิสูจทั้งหลายพวกเธอจงละธรรมะอย่างหนึ่งคือโทสะเสียดังนี้บดว่าทุทาเสได้แก่ปทุสรายเพราะมีจิตปทุสรายด้วยความ อาฆาตนะครับคิดพินาศให้แก่แก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับบทที่เหลืออันควรกล่าวในสูตรที่สองมีนัยยะดังกล่าวแล้วในอัตกะท้าสูตรที่หนึ่งนะครับส่วนรายละเอียดที่เหลือก็ไปเทียบเคียงเอาจากสูตรที่หนึ่งนะครับถ้าหากว่าพระคุณเจ้าจะไปบรรยายธรรมที่ไหนเนี่ยนะครับจะเอาสูตรนี้ไปอธิบายก็ไปขยายตามแนวสูตรที่หนึ่งก็ไม่ไม่เสียหายอะไรนะครับก็ถูกต้องเหมือนกันนะก็จบสูตรที่สอง